เวลาเหลือน้อยนิดจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสังขารที่เสื่อมไปตามอายุไขเป็นอุปสรรคต่อการนั่งนอนยืนเดินเพราะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกทุกอวัยวะที่รับใช้กันมายาวนานก็เริ่มชราตามอายุเราเช่นกันสมัยเป็นเด็กเห็นคนแก่เดินหลังโกงค่อยๆเดินช้าๆถือไม้เท้ากว่าจะลุกจะนั่งก็ต้องคอยพยุง ก้าวขึ้นลงบันไดก็งงงกเงินเงินผมเคยสงสัยว่าทําไมคนแก่ถึงเชื่องช้านักเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่บางครั้งก็แอบหัวเราะเยาะด้วยความขบขันในความอึดอัดของคนแก่เดี๋ยวเนี้ยเริ่มรู้สึกตัวเองแล้วว่ากําลังจะเป็นคนแก่และสังขารก็มีอาการอย่างคนแก่ทั้งหลายที่เราเคยหัวเราะเยาะนินทาข้อสงสัยได้รับคําตอบด้วยตัวเองแล้วอย่างชัดเจน เป็นประสบการณ์ตรงของอาการทั้งหลายที่เคยเห็นก้าวเดินที่เคยคล่องแคล่วรวดเร็วกลับกลายเป็นช้าลงต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันป้องกันการล้มและนี่คือจุดเริ่มต้นของวัยปลายชีวิตเวลาที่เหลือน้อยนิดในชีวิตนี้ผมปรารถนาที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่เคยประพฤติมาในอดีตยินยอมชดใช้กรรมตั้งสัจจะที่จะทาความเพียรและภาวนาให้มากที่สุด ตลอดจนเร่งทำงานถวายหลวงตาอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนี้